ในคาถาสุดท้ายคาถาสุดท้ายของคัคคาวิสานสูตรบอกว่าได้ยินว่าพระราชาองค์หนึ่งในพระนครพาราสีพระองค์ครอบครองราชสมบัติอันกว้างขวางมีประการตามที่กล่าวแล้วในเรื่องต้นๆเท้าเธอวันหนึ่งประชวนหนักป่วยมากทุกขเวทนาเป็นไปอยู่เนี่ยนะเจ็บปวดเลือกเกินสตรีสองหมื่นนางต่างก็ทำการนวดประหัตนวดพระบาทเป็นต้น พระราชานี่ป่วยมากเต็มทีและอามาตก็เลยคิดว่าบัตรนี้พระราชาพราะองค์นี้ไม่รอดแน่นะตายแน่ดูที่แม้ไปบีบไปนวดกันใหญ่เลยเกือบตายแล้วดูละเอาเถอะพวกเราจะสแสวงหาที่พึ่งแห่งตนนะไปหาคนอื่นเป็นเจ้านายดีกว่าเบางทีเจ้านายองค์นี้จะตายแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรอาวอ์แล้ไปหานายใหม่ดีกว่าไปหาพระราชาองค์ใหม่ไปสู่ราชสํานักของพระราชาองค์อื่นก็ทูลขอการบํารุงอามาตเหล่านั้นก็บํารุงอยู่นะราชสํานักเหล่านั้นก็ไม่ได้อะไรอะไรเลย ก็ไปดูแลพระราชาองค์ใหม่อ่ะนะก็ดูแลไปแต่ก็ไม่ได้ค่าจ้างอะไรเท่าไหร่หรอกเนื่ว่าพระราชาฝั่งโน้นไม่รวยเสร็จแล้วฝ่ายฝ่ายพระราชาก็หายจากประชวนก็ตัดถามว่าอามาตชื่อนี้และชื่อนี้ไปไหนเอออามาตช์นี่กลุ่มนี้หายไปไหนหมดพงษก็ฟังบอกโอ้โน่นไปบำรุงพระราชาเมืองโน้นแลว้วก็เลยสั่นหัวเลยว่างี้ยสั่นภระียรก็ส่ายหัวแล้วก็เงียบ อามาลเหล่านั้นก็ฟังว่าพระราชาหายประชวรแล้วตัวเองก็ไปบำรุงพระราชาเมืองนั้นก็ไม่ได้อะไรจากราชสำนักของพระราชาองค์นั้นประสบความเสื่อมอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนะหมดเนื้อ ห, หมดตัวเลยวางั้นก็เลยกลับมาหาพระราชาถวายบังคมพระราชายืนอยู่ณที่สุดส่วนข้างหนึ่งอมาลเหล่านั้นก็ถูกพระราชาถามว่าดูก่อนพ่อพวกท่านไปนไหนมาก็บอกว่า ข้าแต่สมมุติเทพพวกข่าพระองค์เห็นว่าพระองค์เนี่ยทุพลภาพหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะนะทุพลภาพก็แปลว่าหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็เลยไปสู่ชนบทชื่อนู้นเพราะกลัวต่อการเลี้ยงชีวิตถ้าไม่มีนายไม่รู้จะเลี้ยงชีวิตยังไงพระราชาก็เลยสั่นพระเสียงคิดว่าเอาเธอเราจะทดลองอมานเหล่านี้ว่าจะพึงทําอย่างนี้อีกหรือไม่อยากจะลองใจมันจริงๆวันนี้ครั้งนี้ครั้งแรกนะต่อไปมันจะทําอีกหรือ พระราชาพระองค์นั้นก็แสดงพระองค์ประสบเวทนาหนักแกล้งป่วยอะไรแค่ น, นี้ทั้งแรกป่วยจริงทั้งนี้แกล้งป่วยจะลองใจดูดุดถูกพระโรคให้ทรงพระประชวนในการก่อนกำเริบพระองค์ก็ทําความห่วงใยในการประชวนสตรีทั้งหลายก็เวทล้อมทํากิจทุกอย่างเหมือนครั้งแรกเลยนะกระว่าสร้างเหตุการณ์จําลองเหมือนกันอํามาตย์เหล่านั้นก็ไปชนบทอื่นอีกนะ ก, ก็พาชนนั้นนมากกว่าเดิมแล้วก็หลีกไปทีนี้ไม่ไปคนเดียวนะพาพวกไปเยอะกว่าเก่าอีก พระราชาก็เลยกลับมาทําเป็นเช่นเดิมถึงอย่างเนี้สามครั้งอมตะก็หลีกไปสามทีเนี่ยนะพวกนี้ไม่พักดีจริงๆเห็นแก่ปากแก่ทองเันจากนั้นพระราชาเห็นอมตะเหล่านั้นมาครั้งที่สี่ก็เบื่อนายโว้ยอมตะพวกนี้ทิ้งเราผู้ป่วยไม่มีเยื่อใหญ่หนีไปขนาดเจ็บป่วยนะไม่เคยดูแลเลยแมยมแต่ทำชั่วแล้วเกินนะพวกนี้ก็เลยสละราชสมบัติบวชเลยว่าวกนันรู้จะหาเลี้ยงมันพวกมันไปทําไม มันเห็นดูแลเราเลยเห็นสนใจเราเลยยามป่วยไข้ก็มเห็นมาดูแลสายใจเลยทางใครทางมันก็บวชเลยกันเนี่ยบวชแล้วก็ทําปัจเจกโพธิญาณให้แจ้งอุทานว่าพระชันติเสวันติจะกรณา์านิกรนาธุลภา อ, อ, อ, อัชมิตาอัตถาปัญญาอสุ จ, มจสกกีมนุษย์เอกโอเจเรฆขวิสานกัปโตมนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่สะอาดเนี่ยนะอสุจีเนี่ยไม่สะอาดเลยพวกนี้ มีปัญญามุ่งแต่ประโยชน์ต น, ไ, นนะไม่ต้องการ น, นะนะเขาเรียกว่าอัตตะปัญญาเนี่ยแต่เพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อะไรจริงๆ น, นะคือเห็นแต่แค่ปากแค่ท้องแค่นั้นแหละคบหาสมาคมมิตรผู้หาได้ยากในทุกวันนี้มีเพราะเหตุห น, นะมีเพราะเหตุประโยชน์บอกว่าคบหามันจะเอาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยมันเจอเราเนี่ยถ้าเรายังพอให้ประโยชน์มันได้มันก็อยู่พอเราทาําท่าเหมือนไม่ให้ประโยชน์มันมันก็นี้ไปอย่างเงี้ยนะ โอ้ยไปคนเดียวดีวกว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรพอพอพวกนี้คือเราว่าบทว่าอะพัพชชาติความว่าแอบเข้าไปนั่งใกล้ด้วยร่างกายเสวันติก็คือย่อมบำเรอด้วยอัญชลีกรรมเป็นต้นด้วยความเป็นผู้รับใช้เนี่ยนะแหมเข้าทำท่าไปนั่งใกล้คอยยกมือท่วมหัวคอยกราบคอยไหว้แต่ว่าเพราะว่ายังมีประโยชน์กันรองเนียนะเห็นทำท่าจะหมดประโยชน์ก็เลยแทนนี้กันไปหมดนะ นิการณาทุลภาอัชฌามิตาความว่าชื่อว่าผู้ไม่มีเหตุเพราะเหตุแห่งการได้ประโยชน์อย่างนี้ว่าพวกเราจะได้ประโยชน์บางอย่างจากคนนี้มาเป็นมิตรผู้ประกอบด้วยความเป็นมิตรอันประเสริฐที่พระองค์ตรัสว่าคือปกติเนี่ยการคบมิตรมิตรมีหลายประเภทใช่ไหมมิตรมีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรบอกประโยชน์มิตรอนุเคราะห์แต่ว่ามิตรเหล่านี้หายากแท้ในทุกวันนี้เหมือนกันมิตรที่มีอุปการะเนี่ยนะมิตรมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุก มิตรที่บอกประโยชน์แล้วก็มิตรที่มีใจอนุเคราะห์หายากแท้เนี่ยนะคำว่ามิตรผู้มีอุปการะนนะเนี่ยนะมิตรเนี่ยมีอยู่สี่กลุ่มนะมิตรมีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรบอกประโยชน์หรือว่ามิตรอนุเคราะห์ในหน้าหนึ่งสี่สามที่เคยกล่าวไปแล้วว่าเช่นว่ามิตรสหายผู้ทําอุปการะเนี่ยรู้ดูจากฐานะสี่หนึ่งถ้าคนที่มุ่งประโยชน์แกเราจริงๆนะหนึ่ง รักษามิตรผู้ประมาทแล้วถ้าเห็นว่าเราประมาทในความรู้สึกถ้าเขาเชื่อว่าเราประมาทเขาทำยังไงเขาช่วยรักษาเขาช่วยป้องกันเนี่ยนะว่ากลัวเราจะประมาทจะไปความประมาทเป็นเหตุแห่งความเสื่อมใช่ไหมถ้าหากว่าเขาเป็นมิตรเราแท้มิตรเราจริงเนี่ยนะเขาจะดูแลเราหมดเลยว่านี่เราประมาทอยู่หรือเปล่าคอยเรียกว่าคอยดูแลอยู่เนี่ยนะอย่างที่สองก็รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเนี่ยนกะ็ ช่วยรักข้อหนึ่งเนี่ยก็คือรักษาตัวของเพื่อนที่ประมาทว่าความประมาทเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนทําตัวแบบนี้ต่อไปเสียหายแน่ช่วยรักษาว่าเพื่อนย่าได้ทําอย่างนี้เลยมีหนทางอื่นที่จะช่วยแก้ไขกันไหมอย่างที่สองอช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทแล้วว่าเออเนี่ยทรัพสมบัติถ้าคืนปล่อยแบบนี้ใช้แบบนี้อนาคตหมดแน่ก็เลยช่วยรักษาว่ามีวิธีการเหล่าใดที่จะช่วยตกปักคุ้มครองรักษาทรัพย์ของมิตรบ้างไหม สามเป็นที่พึ่งของมิตรผู้กลัวเนี่ยนะเมื่อมิตรมีปัญหาถึงความหวาดเสดุ้งตกใจกลัวมีเรื่องเรียกว่าวาดวันท่านเพิงมีภัยรอบด้านขึ้นมามิตรก็จะเป็นที่พํานักให้ะนะเป็นคําว่าที่พํานักพักพียงให้ก็คือช่วยให้อบอุ่นใจช่วยให้สบายใจช่วยเรียกว่าแนะนําประโยชน์ให้ะนะสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ก็ก็ช่วยเหลือเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียก ว, ว่า เป็นที่พักพิงของมิตรผู้กลัวได้เนี่ยนะเมื่อความกลัวสะดุ้งตกใจก็เป็นที่ปรึกษาแนะนำบอกกล่าวทั้งหมดให้ได้อย่างที่สี่เมื่อกรณี ก, กรณียากิจเกิดขึ้นก็เพิ่มพภคศัพท์ให้มากกว่าที่เขาออกปากคอเช่นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเนี่ยนะ ก็รู้แล้วว่าเพื่อนเนี่ยเขาบอที่จริงเนี่ยคนที่ขอเขาจะไม่ขอเกินไปเนี่ยนะอาจจะขอแทบจะไม่สําเร็จงานด้วยซ้ําไปแต่ขอสมมุติว่างานที่ต้องใช้ร้อยหนึ่งอาจจะไม่ยืมขอขอยืมสัก80เนี่ยนะอันนี้เอาไปเลยร้อยหิเนี่ยนะใช้คืนแค่สิบาทก็พออย่างเงี้ยยกตัวอย่างว่าคือมิตรที่ที่มิตรมีอุปการะที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือเป็นคนที่เรียกว่าไม่สนใจแล้วอีกฝ่ายจะตอบแทนกลับมาหรือไม่ มีแต่ว่าทําหน้าที่อุปการะเช่อนอะไรเช่นกับพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นอย่างนี้จริงๆว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นมิตรของลูกว่าเออถ้าลูกเราเนี่ยเออตอนนี้ลูกทําตัวไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยชักประมาทมากแล้วนะเสียหายเดือดร้อนนะชีวิตไม่แน่นอนนะลูกถ้าลูกทําตัวแบบนี้ไม่ดีแนะี่ก็ช่วยรักษาว่ามีหนทางใดบ้างที่จะช่วยช่วยกับตัวเข้าตรงๆไม่ได้ก็ช่วยไปบอกเพื่อนเพื่อนของลูกอีกครั้งหนึ่งว่างั้นเถอะหรือบางทีเออดูช่วยดูแลทรัพย์สมบัติของเขากิจการของเขา แนะถ้าเขามีเรื่องไม่สบายใจก็เป็นที่พํานักพักเพียงให้ได้พ อ, อมีปัญหาเรื่องราวอะไรมาก็าช่วยเหลือแม้กระทั่งในด้านโภกกระซัก็คือช่วยทุกอย่างนะลักษณะนี้แหละเม็ดผู้มีอุปการะคล้ายกับพ่อแม่ผู้ใดที่มีเพื่อนคล้ายพ่อแม่เพื่อนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนแท้เนี่ยนะแต่ก็เป็นเพื่อนที่หาได้ยาก เ, าเพื่อนเหล่านี้เนี่ยนะ มันไอคำว่าเพื่อนเหล่านี้มีหายากก็คือเราไม่มีคุณสมบัติที่จะให้คนแบบนี้มาโคบเราก็ได้อันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คนที่เขาเขาหวังดีกับเราจริงๆหายากอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอนะอนนันหนึ่งก็ไม่รู้อดีตชาติไปส่อเสียดใครไว้มากคนก็เลยไม่อยากคบหาสมาคมกับเราเนี่ยนะก็คิดไว้หลายๆอย่างแล้วด้วยกัน่นะแต่ส่วนว่า เรามีอุปการะต่อคนอื่นอย่างไรบ้างตรงนี้น่าเจริญมากกว่านะี่นะว่าเราช่วยเหลือคนอื่นจริงไหมหรือว่าเราตกเบ็ดอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าที่สําคัญนะตรงนั้นมากกว่าว่าเราเราทําหน้าที่ช่วยคนอื่นเนี่ยนะถามว่าช่วยเอาบุญหรือช่วยเอาคุณก็อย่างว่าเวลาที่เราจะช่วยใครนี่มันต้องคิดให้มันเสร็จเสร็จไหมกันนะว่าถ้าช่วยเอาบุญก็เออก็ไม่ต้องไปคิดอะไรทําเสร็จแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลไปแล้วถ้าช่วยเอาคุณก็ช่วยบอกเขาไว้ด้วยบอกเขาก่อนที่เขาจะช่วยก็ได้เหมือนกับแบบเคยไปกู้ไหม ธนาคารเขาช่วยเราเขาช่วยเอาบุญหรือช่วยเอาคุณ<ม>เขาช่วยเอาคุณเพราะ น, นั้นดอกเบีย้ยเท่าไหรอะไรก็คิดให้มันเรียบร้อยตั้งแต่แรกเลยแล้ววันหลังจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนกันถ้าจะทวงกันก็ตามกติกาแต่บางคนเนี่ยตอนทํานี่ทําเอาบุญแต่วันหลังทวงเอาแต่คุณเนี่ยนะมันก็เลยเดือดร้อนกลับมาเขาต้องคิดให้มันเรียบร้อยว่าถ้าเราจะช่วยคนอื่นอนุเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยทำเอาบุญหรือทําเอาคุณ แต่ถ้าหากว่าจะทําเอาคุณจริงๆช่วยบอกคนอื่นไว้ตั้งแต่แรกด้วยจะได้ไม่ต้องหนักใจแล้วดีไม่ดีคนอื่นเราอาจจะไม่รับก็ได้นะหรือไม่ถ้าช่วยเอาคุณก็แบบแค่กู้หนี้ยืมสินก็ว่ากันไป ต, ตามเรื่องตามราวไปอันนั้นฉันจะช่วยนะแต่ว่าช่วยแบบมีเงื่อนไขบกันช่วยให้กู้ไงช่วยให้ยืมให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วไปทวงวันหลังเขาก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่แต่หมายเขาว่าแต่ถ้าเป็นช่วยเขาเสร็จแล้ววันหลังตามลำเลิกอยู่นั่นแหละเขาบอกว่า คนที่ตามลำเลิกบุญคุณเนี่ยนะแม้กระทั่งเอาเหอะแม้กระทั่งพ่อแม่เราตามลำเลิกคุณเราจริงๆเราก็ไม่มีความสุขเหมือนกันนะขนาดพ่อแม่จะกล่าวไปยายถึงคนอื่นให้รู้เธอว่าคนที่คอยตามลำเลิกบุญคุณกับผู้อื่นนั้นเป็นคนที่ที่ว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขเกลียดค่อนข้างเกลียดสูงมากเลยนะท่านก็ให้คิดว่าเออมิดมิดแท้เนี่ยเป็นลักษณะมิรที่มี มีอุปการะเนี่ยดูจากลักษณะ4ประการว่าหนึ่งช่วยรักษาเขาผู้ประมาทไหม2องอรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทไหมสามเป็นที่พำนักเมื่อเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากเป็นที่พํานักได้ไหมถ้าเขามีกิจเกิดขึ้นเราช่วยเหลือเขาด้านพวกท้ัพย์เป็นต้นได้หรือเปล่าส่วนมิตรสหายผู้ร่วมสุขร่วมทุกเนี่ยนะเรียกว่าสุขด้วยการทุกขด้วยกันเป็นต้นคนเหล่านี้ถ้ามีความลับก็จะบอกกันเนี่ยนะพวกนี้ไ ม, ไม่ไม่ปิดความลับกัน แล้วก็ปกปิดความลับของมิตรคือตัวเองเนี่ยนะมีความลับเหล่าใดก็บอกมิตรไปถ้ามิตรมีความลับเหล่าใดก็ไม่เอาความลับของมิตรนี้ไปแพร่พรายไปกระจายให้เกิดความเสียหายแก่มิตรไม่ทอดทิ้งมิตรในคราวมีอันตรายเนี่ยถ้าก็มีปัญหามีเดือดร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเช่นว่าพวกอมาศ์นี่ไม่ใช่มิตรแท้ใช่ไหมมิดปรหวังนั้นอย่างเดียวก็เลยพระราชาป่วยและเพ่นเลยนะยามป่วยยามไข้ว่าถ้าไม่เห็นใจกันตอนป่วยก็ไม่ยู้ไปรอเห็นใจกันตอ น, ตอนไหนเป็นตน้น ก็เลยแสดงว่าครบไม่ได้บวชดีกว่ากันนะสุดท้ายก็บอกว่าถ้าเป็นมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์แท้แม้แต่ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่มิตรได้ส่วนมิตรผู้อนุเคราะห์เนี่ยนะมิตรผู้อนุเคราะห์ก็ดูว่ามิตรผู้มีใจกรุณาต่อเพื่อนแท้เนี่ยนะมิตรที่สงสารเพื่อนแท้จริงๆอ่ะเรียกว่ามิตรอนุเคราะห์ก็ดูว่าไม่ดีใจเพราะมิตรยากจน ไม่ดีใจเลยถ้ามิตรจะตกต่ําเพื่อนตกต่ําเนี่ยเสียใจแปลว่าไม่ดีใจก็แปลว่าเสียใจมากไม่สบายใจเลยที่มิตรของเพื่อนต้องตกต่ําดีใจต่อเมื่อมิตรมั่งมีเนี่ยนะดีใจเมื่อมิตรมั่งมีแล้วก็ป้องกันคนติเตียนมิตรถ้าใครจะมาต่อว่าเพื่อนนะอันนี้ออกหน้าหมดเลยแล้วก็สัส่นเสริญยกย่องมิตรอ่าสั่นเสริญคนยกย่องมิตรใครชมเพื่อนเราคนนั้นดี นะใครชมชมเพื่อนเราคนนั้นดีถ้าใครด่าเพื่อนเราคนนั้นเลวมากกันนะเป็นต้นพวกนี้ราแสดงว่าเป็นมิตรที่มีใจอนุเคราะห์คอยปกป้องอคําว่าอนุเคราะห์ก็คือมีใจกรุณาไม่ต้องการให้มิตรมีทุกขโดยประการทั้งปวงอะไรมั่งที่จะทําให้มิตรไม่สบายใจเนี่ยคนเหล่านี้จะไมะ่จะค่อนข้างรักษาป้องกันไม่ต้องการให้มิตรได้รับความทุกขต้องการให้มิตรพ้นจากทุกเพราะฉะนั้นเมื่อมิตรตกยากยา ก, ยากจนก็ไม่ดีใจ คือคือเสียใจอ่ะนะถ้าเพื่อนได้ดิดีได้ดีก็ดีใจเพราะฉะนั้นใครที่ติดเตียนมิตร ก, ก็ต้องคุยกันหน่อยนะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย น, นะแล้วก็ชมเชยสรรเสริญใครก็ได้ที่ชมเพื่อนเราดีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าดูก่อนเครืหาบดีบุตรมิตรสหายผู้บอกประโยชน์ทราบด้วยฐานะสี่ถ้าหากว่าเป็นเพื่อนที่เป็นคนที่หวังประโยชน์อย่างเดียวนะมิตรุ่ม มิตรผู้บอกประโยชน์ก็คือมิตรผู้มีเมตตากับเราคนที่มีเมตตากับเราจริงๆเลยเนี่ยนะหนึ่งเขาจะห้ามเราจากการทำบาปแต่ถ้าหากว่ามิตรที่ชักชวนทำบาปพวกนี้ทําลายประโยชน์ น, นะพวกที่ชวนทำบาปนี่พวกมิตรทําลายประโยชน์แต่ถ้ามิตรแนะให้ออกจากบาปนะพาออกจากบาปพาออกจากการล่วงอาุศลกรรมรบทสิบเป็นต้นมิตรเหล่านี้เรียกว่ามิตร เนประโยชน์มิตรผู้บอกประโยชน์ห้ามให้เราออกจากบาประกรรมทางกายวาจาและใจนะมิตรผู้บอกประโยชน์จะแนะนําให้เราเนี่ยตั้งอยู่ในคุณงามความดีแล้วก็ให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้ส่วนก็บอกว่ามิตรสุดท้ายเนี่ยโดยมากจะเป็นครูอาจารย์หรือเป็นเป็นสมณะพราหมณ์เนี่ยนะมิตรผู้มีอุปการะเนี่ยโดยโดยมากจะเป็นพ่อแม่นะพ่อแม่มิตรมีอุปการะมากฐานะสีโดยมากเป็นพ่อแม่ มิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรร่วมสุกร่วมทุกโดยมากก็จะเป็นเพื่อนทั่วๆไปเนี่ยนะมิตรประเภทว่ามิตรผู้มีใจอนุเคราะห์ก็คือใครคือผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาเราเป็นพิเศษนะนะลักษณะเนี่ยเรียกว่าผู้อนุเคราะห์ก็คือผู้มีใจกรุณาแก่เราอ่ะนะส่วนมิตรผู้บอกประโยชน์โดยมากก็เป็นสมณะพราหมผู้ผู้มีคุณธรรมผู้มีศีลเป็นต้นนั่นก็บอกว่าแหมมิตรเหล่านี้หายากแท้ในยุคนี้เขาว่าไง ปัญญาของมนุษย์เหล่านั้นตั้งอยู่ในตนมนุษย์เหล่านั้นเห็นแต่แก่ประโยชน์ตนเท่านั้นไม่เห็นแก่คนอื่นเรียกว่าพวกนี้มุ่งประโยชน์ตนปัญญาของมนุษย์เหล่านั้นย่อมเพ่งประโยชน์ทั้งหลายที่ไปเห็นในปัจจุบันเท่านั้น iform. ไม่คิดถึงประโยชน์ในอนาคตเลยพวกนี้แหละมีกรรมที่ไม่สะอาดเนี่ยนะกายกรรมก็ไม่สะอาดวจีกรรมก็ไม่สะอาดมโนกรรมก็ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องคบมิตรเหล่านี้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรศฉะนั้นดีกว่าว่ากั้น คบไม่ได้แล้วมิตรเหล่านี้ในนิเทศภาษาริบตรอธิบายไว้ว่ามิตรทั้งหลายเนี่ยนะที่มีประโยชน์เป็นเหตุที่สมาคมกันเนี่ยคือโดยมากเนี่ยนะอย่างอย่างถ้ามิตรแท้ที่สมาคมกันเนี่ยก็ต้องอะไรมิตรที่หวังประโยชน์ตนเป็นเหตุหวังประโยชน์ผู้อื่นเป็นเหตุหวังประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เป็นเหตุประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ได้หรือประโยชน์ปัจจุบันตัวเองก็ได้คนอื่นก็ได้ประโยชน์สัมป라이ย์พบตัวเองก็ได้ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งตัวเองก็ได้คนอื่นก็ได้ลักษณะเหล่านี้เรียกว่ามิตรมิตรที่จะต้องคบหาสมาคมเข้าใกล้เป็นต้นเนี่ยนะอ่าเรียกว่ามิตรจริงๆแล้วการคบมิตรด้วยโดยมากก็มีประโยชน์เป็นเหตุเนี่ยนะก็ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตแล้วก็ ประโยชน์อย่างยิ่งการครบมิตรทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์เหล่านี้นี่แหละแต่ว่ามิตรบางพวกเนี่ยนะที่ที่คบหาสมาคมกัน่ะมิตรเหล่านั้นมุ่งแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยจะเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวว่างั้นเพราะว่าเป็นมนุษย์ผู้ไม่สะอาดคือผู้ที่ไม่สะอาดคืออะไรคือคนที่มีกายกรรมไม่สะอาดวจจิกรรมไม่สะอาดมีมโนกรรมไม่สะอาดทาปาณาติบาตอันไม่สะอาด ทำอธินนาฐานอันไม่สะอาดประพฤติกาเมสุมิจฉาจารอันไม่สะอาดมีมูสาวาจอันไม่สะอาดมีปิสุณาวาจาส่อเสียดที่ไม่สะอาดพุทธวาจาพูดคําหยาบอันไม่สะอาดสัมผัสปลาปะเพอเจอร์ที่ไม่สะอาดอภิชาอันไม่สะอาดพยาบาทอันไม่สะอาดมิช่าทิฏฐิอันไม่สะอาดเจตนาอันไม่สะอาดเคือว่าเจตนาที่เป็นบาปนะความปรารถนาความต้องการที่ไม่สะอาดความตั้งใจที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้น ชื่อว่าเป็นผู้ไม่สะอาดคนที่ไม่สะอาดเนี่ยเป็นคนเลวแล้วก็เลวลงต่ําซามต่ํชาช้าลามกชั่วชาชาชั่วใช่ไหมทำนี่หนักมากนะแต่ท่านว่าท่านพิมพ์อย่างนั้นจริงๆชาติชัว่วแปลว่าการเกิดของท่านไม่ได้ดีแล้วการเกิดผิดเกิดพลาดเกิดเสียหายมากแนละ้วนั้นกล่าวว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญามุ่งประโยชน์ตนคิดเอาแต่เรื่องของตัวอย่างเดียวไม่สนใจใครเลยเหมือนอาหมาัดเหล่านั้นใช่ไหมนะพอเจ้านายป่วยแล้วก็เพ่นกันเนบหมดเลยนะพอเจ้านายหายป่วยพอจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงนายกลับมาต่อ แล้ถ้าอย่างนี้ก็โอ้ห่างๆไว้หน่อยดีบวช ด, ดีกว่านะก็เลยบอกพระประเจกก็บวชแล้วบรรลุเป็นพระประเจกเลยบอกว่ามิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงจะคบหาสมาคมด้วยมิตรในวันนี้เนี่ยนะมิตรทั้งสี่กลุ่มเนี่ยนะมิตรมิตรอะไรมิตรประเภทไหนมิตรที่มีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรบอกประโยชน์มิตรที่มีใจอนุเคราะห์เราแท้เนี่ยหาได้ยากแท้มนุษย์ทั้งหลายมีแต่ปัญญา มีปัญญาคีดจะเอาแต่ประโยชน์ตนเท่านั้นโดยมากเป็นคนไม่สะอาดทางกายวาจาและใจล่วงอกุศลกรรมบดเป็นต้นเพราะฉะนั้นเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรบฉะนั้นเนี่ยนะท่านก็ข้อความในคัค่าวิสาณสูตรนี่ก็จบลงเพราะในพูดถึงว่าพระประเจกพรพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านประพฤตททิเรียกว่าเที่ยวไปเนี่ยนะจริยา เจเรนะจเรเนี่ยนะี่ยก็คือจริยา น, นี่แหละท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ประพฤติประโยชน์ตัวเองได้ประสบความสําเร็จใช่ไหมคือคือประโยชน์ตนคือประโยชน์ที่เรียกว่าอารหัตผลพระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าประพฤติประโยชน์แก่โลกตามสมควรตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยนะพระปเจกพุทธเจ้าเหล่านั้ น, น, ร จ, น, นจริงอยู่ว่าท่านสอนผู้อื่นในอริยสัจให้บรรลุมรรคผลไม่ได้ แต่ท่านเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่จะบรรลุเป็นพระประเจ ก, กันได้นะช่วยเหลือให้บรรลุเร็วขึ้นนะช่วยช่วยแนะนำช่วยบอกกล่าวช่วยตักเตือนช่วยเป็นเป็นเหตุแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็ทำประโยชน์ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะอย่างในชาดกเนี่ยนะในชาดกหลายเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับอุปการะจากพระประเจกไม่ใช่น้อยเช่นเช่นพระโสนะเนี่ยนะโสนะปะเจกพระพุทธเจ้า พระโสนปะปฏิเจริกับ พ, กพระพุทธเจ้านี่ก็สงเคราะห์พระโพธิสัตว์หรือแม้กระทั่งว่าพระอนุรุทธะเนี่ยพระปฏิเจกกับพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์นีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพระอนุรุทธะเนี่ยเกิดมาในตระกูลคนยากจนอาชีพเกียยเก่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าขายเนี่ยนะเกี่ยวหญ้าขายไปวันวันหนึ่งยากจนมากเลยเรียกว่าอนายอันณะพาระเนี่ยนะทุกยากได้ยากมากนายอันนะพาระเนี่ยจริงแล้วเนี่ยอดีตท่านสั่งสมบุญมาแสนกับก็จริงแต่ว่า ในสังสารวัฏอะ น, นะมันก็ขึ้นขึ้นลงล ง, ลงสูงสู ง, สงต่ําๆอย่างว่าก็เลยไปเกิดเป็นคนเกี่ยวญามีวันหนึ่งเนี่ยพระประเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มุ่งจะสงเคราะห์พระอนุรุธะก็เลยไปบิณฑบาต ใ, ใ, ให้ให้นายอนนะภาระเนี่ยอดีตชาติของพระนุรุธะเนี่ยฟังเห็นพระนรุธะเห็นแล้วก็มีศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วก็มาคิดว่าเราเนี่ยที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าอดีตเราไม่ได้ทําบุญมาพอ หรือไม่ได้ทําบุญมาดีเราจึงเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากก็เลยบอกว่านิมนท์ท่านรออยู่ตรงนี้สัก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูอาหารที่บ้านก่อนว่ามีหรือเปล่าจนคาเครียกว่าหาเช้ากินข้าเนี่ยนะหาเช้ากินขํามไม่รู้ว่าเมียมีเข้าวสารหุงเอาไว้ให้เผื่อตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่านิมนยืนรอหน่อยนะแต่พระประเจก็รู้แหละทีนี้ท่านก็ไปที่บ้านบอกว่านี่เธออาหารของส่วนของฉันเนี่ยมีบ้างไหมเขาจะมีเขาก็มีแบ่งอาหารเป็นสองส่วนนะส่วนของสามีส่วนของภรรยาเนี่ยนะ อันถ้าเขาแบ่งไว้สองส่วนภริยาจะทานก่อนก็ได้จะรอทานร่วมกันก็ได้ก็จะแบ่งไว้แล้วนี่ถ้าหากว่ามีธุระก็แบ่งเอาส่วนของตนไปนายอันนภาระก็ไปถามภริยาก็บอกว่ามีนายกรอยเร่วิ่งไปกรับบาตจากพระประเจกับผู้เฒเจ้านะก็คือดีใจนะปกติเคยมีอาหารแต่ก็ไม่มีผู้รับบางทีมีผู้รับแต่ก็ไม่มีอาหารบางที ศรัทธามีอยู่นะแต่ว่า <balance> ไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งผู้รับไม่รู้จะเอาอะไรมาทําบุญว่า้นคือบางช่วงเนี่ยอาหารมีอยู่ของจะทําบุญมีอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปทํากับใครบางช่วงผู้รับก็มีเต็มไปหมดแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปทําศรัทธาก็มีอยู่นะบางทีศรัทธาก็มีอยู่ไม่มีแม้กระทั่งของที่จะให้ไม่มีทั้งผู้รับขณะนี้เป็นราบของเราแล้วเนาะข้าวของเราก็มีพระประเจักับพพุทธเจ้าก็มีก็เลยดีใจมากก็เลยไปเอาอาหารใส่บาตรหมดเลย อาหารมาเกลี่ยใส่บาทถ้าประเจด ก, ก็จะรับแต่ครึ่งเดียวนะทานบอกไม่ยอมมาจะให้ต้องถวายทั้งหมดเพราะว่าเป็นอาหารที่บริโภคได้แต่เพียงผู้เดียวก็เลยตั้งทาบุญและตั้งความปรารถนาว่าแม้ชาตินี้เกิดมาเนี่ยนะแสดงว่าสนทนากับภรรยาเนี่ยคาที่คุยกันมากที่สุดก็คือคําว่าไม่มีเธอนั้นมีไหมไม่ไ ม, ม, มีอย่างเงี้ยนะมียนี่ไม่ไม่มีก็เกิดมาได้ยินแต่คําว่าไม่มีมันคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินเลยต่อไปเนี่ยไม่ต้องได้ยินและคำนี้เท่านั้ พอเบื่อฟังเต็มทีแลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นในชนบทบางแห่งหลายๆแห่งที่เราคุยกันเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็มีแต่คําว่าไม่มีทั้งทีเลยนะก็สะสมความเครียดไว้เท่าไหร่นะที่จริงเนี่ยไอ้การพูดคําว่าไม่เนี่ยไม่ได้มีคนพูดด้วยความสุขนะคําว่าไม่นี่โดยมากพูดด้วยโทสะแต่ถ้าคําว่าได้หรือมีเนี่ยค่อนข้างด้วยความสบายใจแต่คําว่าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่วันหนึ่งถ้าคิดคําว่าไม่สักครึ่งวันนะวันนั้นจะเครียดที่สุดเลยนะอะไรก็ช่างแต่เพราะฉะนั้นสะสมคําว่าไม่เนี่ยไม่ดีเท่าหรนะ่ มันก็อคำว่าไ ม, มไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยโอ้ยฟังเลยมันทุกทุกคนพูดก็ทุกคนฟังก็เครียดเนยนะเช่นว่าขอความช่วยเหลือบอกไม่อยังไงนะไอ้นคนฟังนี่เป็นยังไงบ้างคนขอเครียดเลยนะไอ้คนที่ให้ก็ไม่ใช่พูดอย่างมีความสุขสงาพาเพผยนะพูดแบบแหมก็ตั้งว่าตัวแอ่าเขามีนักวิจัยบางท่านกขาล่าให้ฟังว่าคําว่าพูดคําว่าไม่เนี่ยนักกล้ามเนื้อมันหดหมดเลยเพราะงั้นมันเกร็งมากเลยมันหดทั้งทั้ง เอาถ้าทําให้กล้ามเนื้อมันหดแบบนั้นบ่อยๆๆๆๆสุขภาพจะเป็นยังไงท่า น, นคําว่าไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ ไ, มไมเดี๋ยวว่าถ้าเกิดลําไส้มันหดบา้างมากๆเข้าข อ, อะไรจะเกิดขึ้นท้องไส้กำเริบเปิดปั่นป่วนไปหมดเนี่ยนะว่าสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ทจริงๆอ่ะคำว่าไม่ถ้าอยู่ในใจเราเมื่อใดให้รู้ว่าโดยมากโทสะเนี่ยนะโดยมากโทสะและโดยมากความโกรธจะกําเริบขึ้นนะคำว่าไม่ไม่ไม่เนี่ยนะท่า น, นก็ก็เลยบอกทําบุญเนี่ยคำว่าไม่ไม่ต้องได้ยินแล้วต่อไปเนี่ยนะ โดยเฉพาะคําว่าไม่มีเนี่ยไม่มีนี่ไม่ต้องได้ยินแล้แเช่นไปขอความช่วยเหลือใครก็บอกว่าไม่ท่านก็ไม่ต้องได้ยินแล้วคาเหล่านี้หรือว่าเออโน้นมีไหมนี่มีไหมไอ้คำว่าไม่ไม่ต้องได้ยินแล้วท่านก็บุญที่ท่านทํากับพระปพาเจกกับพุทธเจ้าชาตินั้นหลังจากนั้นท่านก็สบายเพราะที่แธรรมเวชนิยกรรมให้ผลท่านก็อยู่เป็นสุขนะนะ โดยมากพระนรุทธะก็เกิดเป็นพระเท้าศักกะหรือเป็นพระอินเนี่ยนะโดยมากก็เป็นพระอินเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มากส่วนหนึ่งชีวิตที่ประสบความสําเร็จของพระนรุธะก็ได้รับการสงเคราะห์จากพระปัเจ ก, กพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งพระปูติคัตะเนี่ยนะพระเทระผู้มีกายเนา่ากายที่เปื่อยเน่าตามสรีระเนี่ยนะพระปูติคัตตะรูปนี้เนี่ยท่านก็ได้การรับการสงเคราะห์จาก จากพระจากพระประเจกกัะพุทธเจ้าเพราะในอดีต ท, ท่านเกิดเป็นพรานนกเนี่ยนะชอบชอบไปดักบ่วงนกเนี่ยแล้วใส่แล้วนกบ่วงนกเนี่ยได้ น, นกมาก็ถอนถอนถอ น, ถอ น, ถอนขนเสร็จแล้วก็ทีนี้ไอ้ชามชนบททีท่ไม่มีตู้เย็นนี่ก็ทำไงฆ่าก็ตายก็หักปีกหักขาทิ้งเอาไว้เนี่ยนะก็เอามาวางขาย เมื่อเมื่อไม่กี่ว่าเมื่อเดือนก่อนโน้ตเห็นภาพภาพหนึ่งที่ชาวเวียดนามเนี่ยนะชอบขายนกเหมือนกันถอนขนนกแล้วก็มาหักแขนขาแล้วก็มัดไพร่หลังวางข้างทางขายเนี่ยคนละ้ายๆก็ขายกบนะเหมือนกบนี่กระมังเหมือนอะไรแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นอะ่ะอันนี้เป็นนกพระปุตติคตาเนี่ยอาชีพเขาก็คือพานนกเนี่ยนะก็คือจับนกขาย น, นะคายเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปเนี่ยนะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไป มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปเห็นพระประเจกับพะพุทธเจ้าก็เลยปรุงอาหารที่ตัวเองทําด้วยนกเนี่ยนะเสร็จแล้วก็แบ่งอาหารนั้นไปถวายพระประเจกับพร ะ, ระรพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาะว่าท่านรู้ทำใดก็ขอให้ได้รู้ธทำนั้นด้วยเสร็จแล้วก็ด้วยบุญอันนั้นตอนหลังอนัชชาสุดท้ายท่านก็มีหูร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าปูติเนี่ยแปล ว, ว่าเน่าคัตตาแปล ว, วาร่างกายไม่ร่างกายเน่าไปทั้งตัวเฟะไปทั้งตัวหมดเลย ก็คือร่างกายที่เเน่ามันกระดูกมาเนี่ยนะแทบจะขยับเยื้อนเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมอจิรังวัตยังกาโยปัทวิงาทิเศสติก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์แล้วก็ปรินิพานบอกว่าการรมที่ทําให้เจ็บป่วยนั่ก็เพราะว่าเคยเป็นพรานนกเนี่ยนะเป็นพรานนกถอนขนนกเป็นต้นทําให้ร่างกายเนี่ยเน่าหักคานกกระดูกก็ผุกูก็หักเป็นต้นแล้วก็ ส่วนบุญที่ได้ทํากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาะบุญที่ใส่บาตรอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้บรรลุปเป็นพระอารหันต์ทั้งหลายนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ทําประโยชน์ให้แก่โลกเนี่ยนะแต่ทําได้ในบางส่วนไม่ทําได้บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือทั้งหมดเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าท่านสั่งสมบุญมาเท่านั้นนะคือการช่วยเหลือจากใครที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ต้อง ช่วยเหลือได้ตามสมควรใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าจะสามารถช่วยเหลือได้โดยสิ้นเชิงแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระราชาที่สามารถจัดสงเคราะห์ผู้ใดก็ได้ น, นะนะจะมีความพาสุขตลอดชีวิตต่อไปก็ได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ฉันนั้นส่วนบุคคลอื่นพระ้าหัน์ทั่วไปพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์บุคคลอื่นได้ตามสมควร เดี๋ยวพักสักครู่จะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งชักชวนให้พระภิกษุน้อมน้อมบูชาพระประเจกพรพุทธเจ้าซึ่งพระประเจกพระพุทธเจ้าก็คือปูชนียบุคคลบุคคลที่ควรกราบไหว้เดี๋ยวจะ่อยสักครู่ก่อนเดี๋ยวพักก่อน